เขาคือพระเทวทัตผู้ไม่เคยรับรู้ว่าบาปคืออะไรมหาบอพิษสมพระสรําราญดีอยู่หรือคาแรกที่พระเทวทัตทูลถามมีปัญหาหนักใจมากท่านอาจารย์พระชจอาอชาติสตรูทรงตอบเรื่องอะไรรือมหาบอพิษสมเด็จพระราชบิดายังทรงพระชนอยู่แม้จะสั่งงดพระกยจหารมาเจ็ดวันแล้ว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 ฝ่ายพระนางเจ้าเวเทหิมาลายแห่งแคว้นโกศนพระนางเจ้าเวเทหิเป็นราชธิดาแห่งแคว้นโกสนเป็นพระกนิตฐาภคินีของพระเจ้าประเสณทธิโกสนบัดนี้ทรงสูผ้ผอมลงอย่างมากเสวยไม่ได้บรรทมไม่หลับอย่างปกติจึงเป็นเหมือนบุพผาชาติซึ่งขาดน้ำหล่อเลี้ยงมีแต่ใจเหี่ยวแห้งโรยรา